นบนอมคุณพระตาตยเขาวายความเคารพอาจารย์สุรินเพียชลาและก็เพื่อนศาธรรมิกทุกรูปครับเจ mm hmm. ริญพรมายังแม่ชีและญาติโยบุบผสกบาสิกาทุกท่านนั่งตามสบาย mm hmm. มงคลสาสิบแปดประการสวดไปแล้วเมื่อกี้สักครู่ mm hmm. ก็วันนี้ก็ต้องเกินด้วยของ mm hmm. ต่อจากอาจารย์โนตเมื่อเช้าขอยืมขออาจารย์โนตมาก่อน ว่าเจริญพรและขอลาขอลาเนะเดี๋ยววันนี้จะต้องไปธุระสักสามวันเหมือนกันนะฮะคืนนี้ต้องเดินทางมงคลสาประการเชื่อว่าคนไทยและทุกท่านในที่นี้ทุกคนจะเคยต้องเชื่อว่าขึ้นบ้านใหม่หรือทำบุญบ้านหรือทำบุญอะไรก็แล้วแต่ การเจริญพระพุทธมนต์มงคลสามสิบแปดประการนี้ขาดไม่ได้เหมือนกันสมัยก่อนหลายคนที่ไม่ค่อยได้เข้าวัดเหมือนก็ว่าวัดปฏิบัตินะฮะอยู่ใกล้บ้านนิมนต์พระมาะสวดขาถาหน่อยมีใครเคยคิดอย่างนี้ไหมนะอาจะมาคนหนึ่งแหละเคยคิดทำบุญบ้านทุกปีให้พระมาะสวดขาถาให้ไม่รู้หรอกว่าที่มันแปลนะ่คืออะไร คิดว่าเป็นคาถาอะไรผีนะทำให้เราอยู่เย็นเป็นสุขอะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้ความหมายเขาก็บอกว่าสามสิบแปดประการมีอะไรบ้างมันที่เราสวดเมื่อสักครู่แล้วเราลองมานึกดูว่าสามสิบแปดประการทั้งหมดนี้ทีละข้อมีข้อไหนเรายังไม่ได้ทํำไหมหรือข้อไหนที่ว่ามันทํำไปแล้วเราคิดว่ามันไม่ดี เราก็ต้องลองลองทำดูนะเหมือนที่เราสูตรกันเรามาสูตรอย่าปร่งใจเชื่อนี้อ้างมาจากตำราอย่าโปร่งใจเชื่อนี้ว่าเป็นครูของเราที่นี้เรามาปฏิบัติทุกวันนี้ที่มองอยู่นี้ก็จะเป็นคนเก่าแก่นะก็เรียกว่าคนของวัดแหละเราเป็นคนของวัดทุกคนปฏิบัติ แล้วเราเคยสอบใจตัวเองหรือเปล่าะเราต้องคอยดูว่าเราสอบได้แค่ไหนบางครั้งเหมือนกับวันนี้เนาะหนังสือพิมพ์มาตอนเย็นตอนบ่ายพอเห็นหนังสือพิมพ์กันก็บางคนก็เกิดปฏิกิริยาเห็นข่าวไม่ดีของพระบ้างของโยมบ้างที่เราเป็นไปตามเขาก่อนเห็นภาพมาเนี่ยเราเป็นไปตามเขาก่อนเราก็ยังไม่รู้ว่ามันจริงหรือเท็จ หรือว่าดีร้ายประการใดทีนี้เราเราต้องรู้ให้เท่าทันมันต้องเสาะหาเหมือนกับวันนี้ก็ได้ดูเฟซบุ๊กนะประกาศหาลูกคลอดมาได้19บวันลูกหายก็ลงลใน Facebook. ในเฟซบุ๊กทีนี้คนก็คอมเมนต์กันเข้าไปว่ากันต่างๆนานาสรุปแล้วคนที่เอาไปไม่ใช่ใครอื่นเป็นพ่อของเด็ก ก็เลยโพสต์ออกมาว่าฉันเป็นพ่อเอาไปเองคือมีปัญหาทั้งครอบครัวกันเราก็ไม่รู้แหละคอมเมนต์ไปก่อนด่าไปก่อนใครขโมยเด็กเข้าไปใครลูกเขาขโมย ล, ลูกเข้าไปนะทีนี้เราก็ต้องอเรียกว่าสอบไม่ผ่านเขาเรียกตกนะแม่ถ้าใครคอมเมนต์เข้าไปอย่างเวลาเราปฏิบัติบางครั้งเราไปจมอยู่กับปัจจุบันมากเกิน จมอยู่กับปัจจุบันก็เลยกลายเป็นอดีตใช่ไหมสิ่งเพราว่าพอหลุดลอยไปก็เป็นนึกถึงว่าเอเราลอยไปหรือเปล่าเราฟุ้งไปแล้วแต่ห ม, มายเมื่อกี้เรายัางฟุ้งอยู่นะกับกลายเป็นไปนึกถึงเรื่องของอดีตนะฮะบางคนบอกว่าเดินทั้งวันก็แล้วนั่งทั้งวันก็แล้วแต่ทําไมไม่เห็นผลอะไรเลยไม่เห็นผลเพราะาอาจจะไปเจอเรียกว่า อยากไปจุดอยากไปได้สู่จุดมุ่งหมายที่ที่เออ่พระอาจารย์ทั้งหลายๆรูปท่านเป็นว่าเอา๊ะทำไมเราไม่เป็นเหมือนท่านทําไมเราไม่นิ่งเหมือนท่านคือเอาท่านเป็นต้นแบบแต่บางครั้งไม่ได้ดูว่าท่านก็ปฏิบัติมาเป็นเหมือนเราอ่ะแรกๆท่านก็บอกว่าเราท่านก็เป็นเหมือนเราท่านก็เคยบอกเราจะฟุ้งซ่านบ้างอะไรบ้าง ทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องการปฏิบัตินี่บางครั้งเราปฏิบัติเขากว่าถ้าหลวงปู่เทียนบอกว่าให้ทำเล่นๆต่ให้ทำจริงๆใช่ไจะเป็นลูกโซ่ออไปว่าทำไปยกไปจะมามาที่นี่นะมันแรกนะเคยนั่งสมาธินะเป็นสองชั่วโมงสามชั่วโมงหลับตานะมาถึงจาระธนาชัยนะอกยกมือยกไว้เล่นๆนะพอยกมือครั้งแรกอนะ ยกทำใหม่คำถามเกิดเลยยกทำใหมเพราะว่าเราไม่ได้เพราะาอะไรฮะไม่ได้วางของเก่าของเก่าไม่ได้วางไว้พยายามที่จะปิดไฟนั่งสมาธิเนี่ยบางครั้งเราเราต้องเอารับสิ่งใหม่ๆก่อนแล้วก็ต้องวางของเก่าลงพอวางของเก่าได้ก็เหมือนกับน้ําถ้ามันเต็มแก้วอยู่เราก็ไม่สามารถที่จะรินมันได้มันก็นล้น ใช่ไหมฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราบางมันเทมันออกไปแล้วเรารับสิ่งใหม่ๆการปฏิบัติแบบนี้แนวเคลื่อนไหวนะเราไม่ได้เล่นลิศนะฮะที่นี่ไม่ได้เล่นลิศเราทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วมีเรื่องของเมื่อบุคคลสามสิบแปดประการนะกลับมาเข้าเรื่องเดิมวันนี้อีกก็มีเรื่องของค่าขาย ขายของกันฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามมาเปิดร้านใหม่ร้านนี้เป็นร้านเก่าแก่อีกฝั่งนึงมาเปิดใหม่ลูกค้าไปกินฝั่งนู้นมากกว่าไปพังร้านเา้าพาลูกเต้าไปพังร้านเา้าไปว่าไปดา่าก็อ่านในหลายๆอย่างก็บอกว่าร้านเก่าเนี่ยเขาเรียกว่าหลายคนบอกว่าเคยไปแต่ว่า ทำหน้าบึง้งหน้ายักษพูดจากับลูกค้าไม่ค่อยดีเห็นไหมพูดจาไม่ดีเข้ามงคลสามสิบแปดะสุภาษิตาจยาวาจาวาจาที่เป็นสุภาษิตมีใครชอบคนพูดแบบกระโชกโฮกหากอยู่ๆก็มาบ้าเราด่าเรานะฮะไม่มีเนะว่าธรตมาว่าไม่มีแล้วก็เหมือนกับ โ ค, โคเนี่ยนะโคนันทิสารเนะี่ยใช่ไหมฮะโคนัน น, นันทิศารที่ว่าแข็งแรงลากเวียนได้เป็นร้อยร้อยเริม่มนะแต่ว่าเจ้าของพูดจาไม่ดีก็ไม่ทำให้เหมือนกับเราจะไหววางใครสักคนหนึ่งพูดกับเขาดีๆเนาะเขาก็ทำให้เราก็เต็มใจทำเวลาใครมาพูดกับเราดีๆหรือวันช่วยทำท้งนี้หน่อย นะอาตมาเนี่ยเรียกว่าวาจาดีเหมือนกันต้องชมตัวเองนะบางครั้งคือใบวานพระเพื่อนสารธรรมิกมันก็จะมารีบช่วยกันนะถ้าไปเอาหลวงพี่มาช่วยหน่อยสินั่นมีใครอยากเรามาช่วยนะมาช่วยทางนี้ก่อนสิไม่ชี้ทางนู้นไว้ก่อนใช่ไหม <c oughs> อยากมาช่วยนะบางครั้งมาช่วยนะแต่มันขัดช่วยเพราะขัดไม่ได้นะ ช่วยฝึกขัดไม่ได้บางครั้งก็ทําด้เรียกว่าทาไปด้วยความไม่เต็มใจใช่ไมั้ยอย่างที่จะเดินทางไปนี่ก็เพื่อไปทํามงคลสามสิบแปดประการอีกข้อหนึ่งเหมือนกันที่จะเดินทางไปคืนนี้เนี่ยคนครพ น, นมก็นัดเพื่อนสาธรรมิกไปอยู่ก็โทรมาเตือนส่าต้องรีบไป แต่ครั้งแรกว่าจะไม่ไปแล้วแหละ ว, ว่าจะ cancel. แคนเซิลก็รออยู่ก็าสามวันก็คงจะเสร็จนะฮะจริงๆแล้วก็อีกอย่างก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยอาจารย์ว่าจะให้อาจารย์สุรินทร์ท่านเทศต่อ <c oughs> นะฮะที่อาจารย์ท่านอยากให้มาพูดวันนี้เพราะว่าอ้าวจะได้แบบช่วยเดี๋ยวเกิดว่า สามวันนี้อย่าเพิ่งมีอะไรเสียนะนะครับอย่าเพิ่งมีอะไรเสียหรือถ้าเสียก็ติดต่ อ, อ, อ, อ, อพี่ออสพี่ฉลองอะไรเงี้ยได้นะฮะหรือบอกพารูปไหนก็ได้ฮะที่คุยกันได้นะรัฐ บ, บาลท่านช่วยใ ห, ให้ให้ช่วยให้ท่านช่วยทําท่านก็มีฝีมืออยู่เพราะส่วนใหญ่ท่านอาตมาก็ไม่ค่อยได้ทําเองเนาะถ้าใส่เพื่อนศาสตร์ทำมิกนะฮะท่านช่วยนะฮะ งานเอกสารก็ต้องเป็นพี่อาาาัจฉราจริงๆท่านก็เป็นพิศวกรใช่ไหะใช่ไห ม, ไหมพี่อาาาัจฉราเนาะท่านก็เป็นพิศวกรมาทําที่ปากช่องอยู่แต่าท่านยังไม่ได้ออกบทบาทที่นี่งานก่อสร้างเนี่ยท่านต้องมาช่วยคมุมช่วยดูแลและทันทีก็ยังไม่ได้ท่านก็เพิ่งกลับมาอยากให้ท่านพักอยู่เพราะว่างานก่อสร้างพวกนี้ท่านท่านจะถนัดเพราะว่าท่านทําทํางานตรงนี้มาสลาตมาบางครั้งก็ ก็ตามแบบเข้าไปเขาไปคุมไม่เขาทำแค่นั้นเองนะก็หรือว่าถ้าใครเป็นอย่างที่พระอาจ า, ารย์พิสัท่านเทศไว้ว่าช่วงนี้ก็จะมีเรื่องของเสียงดังบ้างอะไรบ้างก็มีแม่ชีบางบางท่านนะก็ต้องหนีหนีเสียงดังเขาเรียกว่าเอาหูไปแบกรับเสียงจะท่านก็คงจะเกรงว่าอารมณ์ท่านจะเกิด มากกว่า น, นี้ก็เลยต้องขอลบไปก่อนนะแต่ทีนี้เนี่ยเราคนที่อยู่เราบางครั้งอะไรมันไม่ถูกตาไม่เข้าไม่ถูกใจก็ต้องวางใจให้เป็นนะฮะไม่ได้อยู่ผิดที่นะเรามาอยู่ก่อนการก่อสร้างมาที่หลังแต่บางครั้งเราวางใจไปผิดทางเพราะว่าเราเอาใจเอาหูเอาตาเข้าไปแบกรับมัน คนงานก่อสร้างเอ๊ะแต่งตัวกันไม่ดีจะทําไมเสียงดังกันเนี่ทํางานกันยังไงทําไมสกรปรกจังแต่ถ้าเราสกรปรกเห็นสกรปรกแล้วเราจัดไม้กวาดเหมือนกวาดขึ้นมามันก็สะอาดตาเราดูแขนที่มันขยับเราได้สองต่อเลยได้ทําความสะอาดด้วยได้ปฏิบัติไปด้วยได้ดูใจตัวเองด้วยได้สอบอารมณ์ของตัวเองอีกเออเราดีขึ้นนะบางคนถึงกบ ต้องย้ายออกไปทางนูน้นบางครั้งเนี่ยน้ำไม่ไหลาบางทีเขาก็ต้องตัดน้ำตัดไฟบางครั้งเราก็ต้องดูใจของเรานียมีโยบางคนก็บอกไฟดับเป็นเพราะอะไรเนีวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งไฟดับตั้งแต่ตอนมืดนะถึงเช้าตั้งแต่บ่ายที่งันงนันรั้นึกเขาก็บอามาถามว่าทำไมไฟดับก็เลยบอกอ่อไฟไม่มา เราก็ไม่รู้มันดับเพราะอะไรก็ถ้ามันไฟมาไม่มาก็เลยไม่มีไฟบางคนก็เกาบนกระวายนะเมื่อก่อนเราอยู่กันได้ที่นี่คนเก่าๆเนี่ยอาจจะมามาไม่ทันถ้าคนเก่าแก่ที่นี่จะใช้เรียกว่าใช้เทียนนะไม่ทราบว่าไฟจากสุกโตนี้เข้ามาเมื่อปัสสาอะไรการใช้เทียนมันก็ดีนะมีหลงพี่หรือแม่ชีบางท่านก็ ใช้เทียนพยายามใช้เทียนอยู่บางกุฏของพระก็ไม่มีไฟจะเข้าใจว่ากุดโยบนี่มีแล้วทุกกุดนะบางครั้งเครื่องอหนวยความสะดวกมันก็ทำให้กร่าใจเร็วโทรศัพท์ไม่ดีมันช้าเปนวายจะต้องกระตือรือร้นบางคนบอกว่าสัญญาณไม่ดี เมื่อก่อนก็ไม่มีเน็ตเล่นกันนะสมัยก่อนเขียนจดหมายด้วยนะโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์บ้านนะอาตมาจําได้ตอนเรียนมัธยมอ่ะเป็นโทรศัพท์บ้านอยู่เขียนจดหมายกันอยู่สมัยก่อนนะเขียนจดหมายไม่รู้กี่สิบฉบับเลยแต่ไม่กล้าส่งเพื่อนข้า ง, งห้องจะขอเบอร์บ้านได้ทันทีโอ้โหอยากเจนอยากเจนแสนเข็น มงคลอีกสามสิบแปดประการเราเคยเรียกว่าบางคนยังไม่เคยลองติ๊กดูนะว่าตัวเองยังไม่ได้ทำข้อไหนยึดแล้วพูดถึงเรื่องการทำบุญบ้านในมงคลสาสิบแปดประการมันก็ขาดไม่ได้ไม่รู้เหมือนกันมารู้ตอนบวชเมื่อตอนพรรษาสามตอนเข้ามาที่นี่นี่แหละมารู้ความหมายมารู้ความแปลอ๋อถึงบางอ้อ กนะารบการไม่ครบคนพานการอยู่ในประเทศอันสมควรประเทศไทยนี่เขาถือว่าเป็นประเทศอันสมควรโดดสมบูรณ์เป็นศาสนาพุทธนะฮะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีจิตเมตตากันน้องเร่าวว่าเป็นเศรษฐีแต่ขี้เหนียวถ้าเป็นทางอินเดียเขาบอกว่าไม่ใช่เป็นเศรษฐี ถ้าเป็นเศรษฐีมีความตรหนีขี้เหนียวคนที่จะเป็นเศรษฐีได้จะต้องเป็นคนที่รวยและมีความเอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับเพื่อนมนุษย์พระราชาจะยกย่องคนนั้นให้เป็นเศรษฐีเหมือนอาณ า, าปินตกะเศรษฐีมีเท่าไหร่ก็ถวายหมดมีเท่าไหร่ก็ถวายถาวายจนตัวเองไม่เหลืออะไรเนาะแม้ไม่เหลือก็ยังจะทั้งถวาย พระพุทธเจ้าก็ยังทรงแบบชื่นชมแล้วแม้กระทั้งเธอไม่เหลือก็ยังก็ยังเทาบ่ายั่งของที่ปราณีตมาทั้งหมดการบูชาต่อบคุคคลคนบูชาตําแหน่งเศรษฐีก็เป็นการบูชาบูช า, ย, ายังไงกษัตริย์ขอินเดียเขาว่ายกย่องบูชาคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยให้ขึ้นขึ้นชั้นมาเป็นเศรษฐีได้เนี่ย เพราะว่าเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางคนบอกว่าฉันรวยแต่ฉันจะเก็บไว้ไว้ให้ลูกให้หลานแต่ยอมใช่ไหมว่าถ้าถึงเวลานั้นนะมันเสียดายถ้าไม่มีการฝึกมันยึดมั่นถึงมั่นอยู่กับสมบัติของเรานี่มันเป็นของฉันนี่มันเป็นของกูจะเอาไปได้ยังไง หวงบางคนหวงเพราะแก่ตัวลงพระโลกชรามันเริ่มมาถ้าไม่เคยฝึกสติไม่เคยเจริญสติมันจะยึดว่านี่ของฉันไว้เอาไปไม่ได้ก็เป็นปูโสมเฝ้ารัพย์อ่ะทีนี้ลูกหลานก็ามาทำไมล่ะทะเลาะกันฆ่ากันถ้าลูกหลานนิ่งหวงสมบัติกันด้วยเนี่ยอยากได้แข่งแย่งชิงดีชิงเด่นมีหลายตระกูลนะ ทุกคนทุกท่านในที่นี้อาจจะรู้ว่ามีตระกูลไหนบางที่เคยเขาเรียกว่าจ้องฆ่ากันเองเขาบอกเรื่องเงินไม่แต่พี่น้องยังฆ่ากันเองเขาบอกว่าเวลามีพี่น้องเราเนี่ยมายืมเงินอย่าให้ยืมมีเพื่อนมายืมสนิทกันแค่ไหนก็อย่าให้ยืมสมมติเขามายืมพันหนึ่งให้ไปเลยถ้าเรามีสามร้อยสองร้อย บอกให้ไปเลยฉันมีแค่นี้ฉันต้องที่เหลือต้องเก็บไปใช้รับรองเขาไม่โกรธหรอกเขาจะดีใจด้วยในภายภาคหน้าเขาอาจจะโกรธในช่วงแค่ว่าให้ฉันมาเอาพันหนึ่งทำไมให้ฉันแค่นี้กลัวฉันไม่ใช้หรือไงแต่ในภายภาคหน้าเนี่ยนานเข้านานวันเข้าเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เราให้เนี่ยมันมีค่าและเราก็สบายใจไม่ต้องไปกังวลมาก เมื่อไรเขาจะมาคืนใช่ไหมเอ๊ะทำไมไม่มาคืนทันทีฉันก็เห็นเธอมีนะแต่ทั้งๆที่เราก็มีแหละแต่ก็มาอยากได้คืนเหมือนกันนะ่ะไอ้สิ่งที่เขายืมไปเนี่ยเพราะใจมันทำไมมันยังติดอยู่ไอ้ตรงนั้นนะ่ะฉันนะ่ะให้เธอยืมไปแล้วทําไมเธอไม่มาคืนเธอมีเงนินตั้งเยอะแล้วทําไมไม่มาคืนฉันอย่างของฉันอยู่แต่ถ้าเราบอกว่าให้ไปให้ไปเลยให้ไปแล้วก็คือมัน มันสบายใจและได้ช่วยได้อิ่มเอิบใจยินดีทั้งผู้ให้ยินดีทั้งผู้รับให้แล้วไม่คิดจะเอาคืนสามอย่างนี้เป็นบุญสูงบุญสำเร็จด้วยการให้นะจำไปเลยนะให้ยินดีทั้งผู้ให้ให้เพราะผู้รับยินดีที่จะรับแล้วก็ให้เพื่อไม่หวังที่จะเอาคืน อันนี้สําเร็จบุญสําเร็จแน่นอนนะอย่างวันนี้มีโย ม, มาเขาเรียกว่าเอาพระมาพระพุทธรูปสั่งทมมําไว้เนี่ยจะมาถวายตอ น, นมาคะ่บูชาจะเป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์ไพศาลตอนนี้ก็ตั้งอยู่ที่สารักใกล้รอโย ม, มาถวายวันมาคะก็ทำมาซะสวยเลยแหละน่าจะองค์อ น, นี้น่าจะหลายอยู่ บางบางใครเดินเล่นก็เดินขึ้นไปดูได้แต่ยังไม่ได้ตั้งเป็นจิตจะลักษณะต้องรอโยมมาถวายก่นเขาก็กะมาถวายแล้วงคงจะไม่เอาคืนหรอกนะใช่ไหมฮอย่างใครเคยถวายอาหารพระแล้วว่านี่ยังเป็นของฉันอยู่ไหมทำไมท่านไม่ฉันอันนี้เละคะฉันอุตส่าห์ทำมาก็ ท่านแคอยากจะฉันเหมือนกันนะแต่กับค่าวัดเราดีเยอะงหมือนกันเยอะจนเรียกว่าไม่รู้จะฉันอะไร <c oughs> ะทาไมไม่ฉันของนี่ฉันล่ะคะเอาเป็นของอาตมาตแล้วนะว่ดถาวายอาตมาตพระท่านก็รับประเคตเรียบร้อยแหละหมดแหละยังเป็นห่วงอยู่ว่านี่ของฉันเลยไม่ยอมฉันมีนะวัดเรานี่ก็ยังมีอยู่นะ ที่มาทำบุญในวัดเราเนี่ยังเคยเห็นอยู่ถวายอยู่ถวายแล้วอาจารย์รับแล้วอ้าวอันนี้ผมถวายอาจารย์ไปมาเก็บตามขอคลิปคือก็อ <c oughs> มียังเคยเห็นอยู่นะฮะก็ไม่รู้เขาคิดอย่างไรแล้วก็อย่างพระอาจารย์ท่านก็ไม่ค่อยยึดอะไรเนาะท่านรับมาท่านก็ส่งต่อรับมากระส่งไป หลับมาก็ส่งไปใครทําอะไรให้ฉันก็ฉันเนี่ยสมา น, นี้ตอนอยู่บ้านยมแม่จะทําเรียกว่าทํากับข้าวถวายท่านถ้าทํานิดหนึ่งท่ก็ฉันหมดทําไปเยอะก็ไม่เคยเหลือและท่านก็ไม่เคยบ่นว่าอันนี้มันน้อยอันนี้มันมากนะก็จะเ ข, า, ขาเรียกว่าท่านก็เป็นแสดงตัวอย่างให้เราเห็นว่า สิ่งที่ท่านทำทนกลับมาจากไหนชเฉเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องมาขึ้นทำบัตรอันนี้ท่านก็ทำตัวอย่างให้เราเห็นคู่บาอาจารย์หลายรูปทำตัวอย่างให้เราเห็นแต่บางครั้งเราเราเขาเรียกว่ามองข้ามตรงนี้นะมองข้ามตรงนี้ไปก็มีาเอ๊ะบางครั้งเราเนี่ยแค่เราบางทีเราลงไปชัยภูมิเนี่ยเรากลับมาห้าโมงครึ่งแล้วโอ้เหนื่อยเนี่ยอาจจะมาบางทีก็ประจำเหมือนกันนะ อาศัยว่ามันเหนื่อยแต่ไม่แท่หรอกมันเป็นความขี้เกียจกิเลสมันก็อ้างว่าเหนื่อยมันจะเป็นเหนื่อยจะแค่นะเนีย่ยนะก็เราก็ไม่ค่อยเห็นหน้ากันแต่ช่วงช่วงหลังๆนี่จะไปหลบอยู่ทังเขาเรียกว่าช่วงหนาวไปหลบอยู่ทางด้านหลังมีบอลลมร้อนอยู่ก็ไปอาศัยตรงนั้นอยู่อย่างเขาก็บอกว่าอย่างการละมาสูตรนะอย่าเชื่อว่านี่เป็นครูของเรา อย่าเชื่อนี้อ้างมาจากตำรามันก็จริงพึงปฏิบัติได้ด้วยตนเองนะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเราก็จะรู้ถ้าเราไม่ทำเราก็จะไม่รู้หรือว่าเรารู้รู้ประคิดเองเออเองใช่หมฮะอย่างถ้าเรามีความสุขอยู่กับปัจจุบัน เราก็ไม่นึกเราก็ต้องไปนึกถึงอนาคตเลยว่าเราจะมีความสุขหรือเปล่าเหมือนมีเขาเรียกว่าคําพังเพย ว, ว่าอดีตไม่ค้นขวายอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ค้นขวายไม่ต้องไปทํานายอนาคตหลายคนอาจจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าคําคำคำนี้เลอดีตไม่ขยันปัจจุบันไม่ค้นขวายไม่ต้องไปทํานายอนาคตไปให้หมอดูที่ไหนก็จ น, นทุกที่ เพราะว่าไม่มีความประทือหรือร้อนอยู่แล้วจะไปรอหวังว่าหวังดวงหมอดูบอกว่าเราจะรวยในภายภาคหน้าที่นี้ไม่ต้องทําอะไรเลยเอมีหมอดูตอนเป็นคาราวาสหมอเคยดูอยู่เหมือนกันยมแม่ยมน้าพาไปที่เดมอบอกหมอรุ่นนี้ดูแม่นมากแบ้มือให้ดูบอกโอ้โหแม่แหลายมือดีเนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติ ปาผู้ภา ษ, ษาอังกฤษเขาไม่เราะเป็นนะพูดภาษาอะไรเขาก็ไม่เป็นไม่มีทางไม่เชื่อบอกว่าเนี่ยจะเกิดอุบัติเหตุข้างซ้ายทั้งแถบมันใช่ที่ไหนแนละ้วมันจะเป็นข้างขวาทั้งแถบเลยตอนแต่มีนะแต่ตรงแต่ว่าตรงข้ามเราบอกว่าเราข้างซ้ายจริงๆเป็นข้างขวาบางครั้งการดูดูได้นบางคนชอบชอบหมอดู เห็นพระนี่ไม่ได้เด้อเขาบอกพระทุดงมีสูตรต้องดูหมอเป็นรับรองไม่อดตายพระอาจารย์อรหมาเคยบอกไว้เขาบอกถ้าดูหมอไม่เป็นให้หวยไม่ได้เนี่ยไม่ต้องไปเดินทุดงนะเนี่ยเข า, ก, เนนะาก็พูดเล่นอนะท่านก็พูดเล่นเพราะว่าอ้าวทาไมหลวงพ่อก็อไม่เคยสังเกตเอะมาที่ไรนะขนาดแถวแถวบ้านเรานี่ยังพอใกล้วันหวยออกยังถามเลขอยู่แล้วเนะี่ย อาจารย์มาเคยให้ไปนี่แหละแต่ก็ไม่ได้โกหกนะไม่ได้มุสาก็าเคยให้ไปบอกก็สองห้าแปดนะเระวังเลขข้างเคียงศูนย์บางคนก็เอาไปแทงนะถูกบ้างไม่ถูกบ้างแล้วก็เฉลยไปแล้วนะพอก็บอกเฉลยไปสองห้าแปดนะโยมเราวังเลขข้างเคียงศูนย์เคยได้ยินท่านเจ้าคุณเขาท่านพูดก็จํามาเขาบอกสองห้าแปดระวังเลขข้างเคียงหนึ่งกับสาม เลขหนึ่งกับเลขสามเป็นค้างเคียงของสองห้าค่างเคียงของห้าก็เป็นสี่กับหกและแปดค่างเคียงของของมันคืออะไรลนะ่ะเจ็ดกับเก้าแล้วท่านบอกให้ระวังศูนย์อีกระวังเลขข้างเคียงศูนย์ครบมาสิบตัวครบเลยเนาะยอมว่าไปแทงบางคนถูกบางคนไม่ถูกบางคนถูกก็ก็มาดีใจบางคนไม่ถูกว่าอาจารย์หลอก พี่โก้หลอกบอก่กไม่ได้ลอกก็เฉลยไปให้ฟังตั้งแต่ตอนที่ให้บอกไม่ถูกก็มาเอาตังค์คืนโยมก็มามาบางคนก็ถูกบางคนก็ไม่ถูกเนีบอกอย่าไปเล่นมันเลยเล่นไม่ฉลาดกินแล้วฉลาดกินรวบนะกินมันไม่เคยแบ่งเลยเอาไปคืนก็ไม่ได้เอาไปคืนแผ่นละบากทยังไม่เค่เอาเลยตอนซื้อเดี๋ยวนี้เท่าไหร่แปดสิบบาทรัฐบาลบอก ขาย80บาทอย่างนี้เป็นร้อยหรือเปล่าไม่รู้ก็เป็นการพนันถ้าคนเคยเล่นการพนันจะรู้ว่าเขาชื่อเขาบอกอยู่แล้วก็การพนันการหลอกลวงคนเล่นถ้าไปเล่นวัดดวงไม่ได้มันกลอนโกงเหมือนมายาโกนเห็นเห็นเคยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมี youtube ที่ว่าพระท่านอะไรนะเอาเหรียญมาใส่มือแล้วทําตั้งๆอ่นะ ไอ้เจ้าทิศมาร์กลูก่หลานแม่สุดนี่ก็ทําได้ตอนนี้มาบวชอยู่ทําให้อรมมาดูเนี่ยตอนนี้เขาศึกไปเขาทำแบบนี้ดูเหรียญบาทวางไว้มือแล้วก็มากระตั้งะมันก็เป็นมายากรพระท่านคงไปเหรียญมาหรือว่ายังไงไม่รู้รวมนั้นเนี่ยเขาว่าทําเป็นกระบวนการแต่ของจริงก็มีเป็นที่เราไม่เห็นแต่มันอยู่ที่เราต้องพิจารณาแต่ยังบอกว่าวัดของเราเป็นวัดปฏิบัติไม่ได้เป็นยึดถือในเรื่องของฤทธ ไม่ได้ยดถือในเรื่องของวัตถุมงคลนี่ถ้าบอกว่าหลวงพ่อคําเขียนออกเหรียญเนี่ยเชื่อเลยเป็นล้านเหรียญอาตมาก็ว่าหมดมีคนจองแน่ยเยอะแยะมีคนเคยจะเขาเรียกว่าให้หลวงพ่อทําเหรียญนะหลวงพ่อนไม่ทำเนี่ยเคยได้ยินมาหรือว่าทารูปหล่อท่านท่านกขาบอกท่านยังไม่ตายทำทำไมท่านตมองไปยอม ไม่อยากให้เราไปยึดติดในเรื่องพวกนี้นะฮะที่เป็นองค์พระประธานเนี่ยวัดเราจะสังเกตได้ว่าพระพระพุทธรูปก็เยอะนะแต่เราก็ออกมาตั้งพอสมควรจนบางทีเนี่ยทางด้านสาร า, าเราเนี่ยเมื่อก่อนพระวางเต้ไปหมดที่โต๊ะหมู่ถ้าใครสังเกตนั่นเอาออกไปส่วนหนึ่งแล้วนะแล้วก็เริ่มมาอีกแหละเนาะเราก็ต้องทยอยเก็บนะเพราะว่าไม่งั้นลนโตะนะฮะ วันนี้ก็มีมาอีกแต่ก็ไม่เป็นไรแต่เราก็เอเคไว้นในสิ่งที่ดีก็อย่างที่บอกว่าการพูดจาบางครั้งมันเป็นสิ่งที่ดีเราครพูดจากันเป็นมงคลสูตรข้อหนึงเหมือนกันพูดจาผู้มีศีลพูดจาไพเราะผู้มีศีล พูดจาดีคนก็เคารพ บ, บางครั้งนี่อาตมาเองก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งพูดบางครั้งก็เผลอเลยนะบางครั้งก็เผลอเลยไปก็ตักเตือนกันได้นะอนุญาตนะแม่ชีนะนัดโยมด้วยบางครั้งจะมาคือพูดเอ๊ะท่านพูดไม่ดีเลย้รับฟังนะไม่โกรธบอกตรงๆแล้วไม่โกรธนะจะยินดีเป็นอย่างยิ่งบางครั้งเอ๊ะท่านทําไมประพฤติตัวอย่างนี้อะไรอย่างเนี้ย บางทีเราต้องเตือนกันได้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่กล้าเตือนอาจจะไม่กล้าพูดถ้าเป็นพระเราไปไปว่าไปพูดอย่างนั้นได้ยังไงไม่ใช่แล้วต้องเตือนกันได้พูดกันได้แม่ชีไม่ดีแม่ชีแม่ชีทําอย่างนี้ไม่ดีพระท่านก็เตือนได้แม่ชีเตือนแม่ชีกันเองก็ได้ใช่ไหมครัเขาบอกว่าอะไรล่ะเราพิจารณาเป็นเนืองๆแล้วนะ ว่าผู้รู้ใครคนแล้วตักเตือนตัวเราโดยสินได้หรือไมนี่ใช่ไหมที่เราเคยสวดกันนี่ก็มีมาอยู่ใน <c oughs> ในข้อที่พระองค์ทรงบอกอยู่เหมือนกันสุดท้ายนี้ก็ขออ้างอิงคุณภระศรีรัตนตรยัยนะ่ะบุญใดที่ตัวจะมาเองและตัวคุณโยมเองนั้นได้ทำก็ขอให้เ อ, อเกิดกระบะเดชะนั้นให้คุณโยมมีความสุขความเจริญ จริงจขึ้นไป